บรนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปหลักการสำคัญในการปฏิบัติกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในส่วนแห่งมาสติปัฏฐานในสุตรที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้น ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะพบว่าแม้จะมีการหลากหลายอารมณ์ออกไปเป็นนั้นมากก็ตามแต่ก็มีเป้าหมายอันเดียวกันนั่นคือส่วนหนึ่งต้องการจะทำจิตใจของผู้ปฏิบัติให้สามารถสงบงงบจากอำนาจของนิวรณธรรมทั้งหลายไปได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ส่งชี้ไปที่นิวร์ทั้งห้าแต่แท้ที่จริงแล้วนิวร์นั้นเกิดจากจิตใจที่ขุดมัวทราบมองเพราะมีเชื้อของกิเลสอกุศลอยู่ก่อนโดยการปฏิบัติที่มีเป้าหมายว่าสตานางวิสุทิยาเพื่อเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย จึงมีสภาวะตรงกันข้ามกับความขุดมัวเศร้าหมองแข่งจิตยามใดที่บุคคลมีความขุดมัวเศร้าหมองปรากฏอยู่ภายในจิตใ จ, จตนยามนั้นความบริสุทธิ์ก็จะปังเกิดขึ้นไม่ได้แต่เมื่อความบริสุทธิ์ปรากฏอยู่นิวรธรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกัน ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั้นตัวการสำคัญที่ส่งเน้นไว้มากก็คือครจัดอภิชาและโทมนัสออกไปอภิชานั้นเป็นกิเลสประเภทราคะหรือประเภทโลภก็ให้เกิดการไขว่คว้าปรารถนาสแสวงหาสิ่งต่างๆและมีการกำหนดหมายขึ้น ด้วยแรงผลักดันของตันหาที่เป็นไปอย่างแรงกล้าภายในจิตว่านั่นเป็นของเราถึงการกำหนดในแนวนี้เมื่อบุคคลทำจิตใจของตนให้สงบลงได้ก็จะเข้าใจถึงความจริงในส่วนของก็ใจรักที่จะต้องอาศัยหลักการปฏิบัติแนววิปัสสนากรรมฐานถึงจะเกิดขึ้น ข้อนี้ให้ลองสังเกตว่าแท้ที่จริงความเห็นในแนวของขจัดอภิชาขาจัดโทมานัตและแม้แต่ยอมรับความจริงในด้านของปัจจัยหลักไม่ได้หมายความว่าไม่มีเชื่ออะไรอยู่ภายในใจผู้ปฏิบัติเลยแท้ที่จริงแล้วเรื่องอะไรก็ตามที่บุคคลเกิดความรู้ความเข้าใจถึงสภาวะที่เป็นจริงของสิ่งเหล่านั้น การควายคว้าสแสวงหาเพื่อยึดถือสิ่งเหล่านั้นไว้เป็นของของตนก็ไม่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นก็มีเพียงเล็กน้อยตัวอย่างเช่นเรารู้ว่าดอกไม้นั้นไม่เวลาไม่นานก็จะต้องเหี่ยวเฉาไปเป็นธรรมดาแต่เราไปในสถานที่หนึ่งซึ่งจะต้องเดินทางกลับมาบ้านทำกลางแสงแดด ระยะทางเอาสักกิโลสองกิโลเท่านั้นเองมีคนก็ให้ดอกไม้เราถือมาเราก็จะไม่รับดอกไม้นั้นเพราะมีความรู้สึกอยู่ภายในใจว่าเดินไปกลางแดดสองกิโลก็พอดีกี่เหี่ยวหมดมใช้อะไรไม่ได้แล้วก็ไม่รับนี่แสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงเรามองถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารทั้งหลาย ที่ไม่ควรแก่การไขว่คว้าสแสวงหาแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วสิ่งทั้งหลายไม่ได้เหมือนดอกไม้เสมอไปเพราะอะไรเพราะถูกกาลละแก่ขวางเอาไว้ดูกการเวลาขวางไว้แท้ที่จริงมันก็เหมือนดอกไม้ดอกไม้นั้นมีกาละขวางอยู่น้อยบุคคลจึงสามารถเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของดอกไม้อย่างชัดเจนแต่พอกับสิ่งอื่น มีอายุการขวางไว้มากคือขวางไว้นานๆทำให้ไม่สามารถที่จะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นได้ชัดเจนเมื่อมองเห็นไม่ชัดเจนก็มีการยึดการถือการขว้คว้าสแสวงหาซึ่งบางครั้งบางคราวนั้นกว่าจะรู้สึกตัวว่าอะไรเป็นอะไรความทุกข์ก็ทับทวีขึ้นภายในจิตใจของตนเสร็จแล้ว ดังนั้นประเด็นที่สำคัญในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานรวิปัสนากรรมฐานก็ตามมุ่งไปที่ตัวความรู้เป็นหลักใหญ่แม้จะมีอุบายวิธีเริ่มต้นในการขัดเกลาวเสริมสร้างมาทางปริยัติคือการศึกษาบ้างทางมนัสโจนิโสมนัสิการคือการทำไว้ในใจโดยเหตุโดยผลโดยบานแยบคลายได้โดยวิธีการต่างๆก็เพื่อจะเสริมสร้าง วิชาปัญญาแสงสว่างให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเพื่อให้รู้ถึงสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นเมื่อมองในแง่ของอารมณ์กรรมฐานแล้วท่านจะสรุปเป็นสองกลุ่มเดีนั้นเองเรียกว่านา ม, มารูปหรือรูปนามสิ่งที่บุคคลเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกริมด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกาย ก็อยู่ในกลุ่มของรูปนอกจากนั้นก็เป็นกลุ่มของนามธรรมทั้งหมดและส่วนที่เป็นนามธรรมในรูปธรรมนี้เองที่ก่อให้เกิดการยึดติดด้วยประการต่างๆแม้สิ่งเหล่านั้นจะหลากหลายคือมีรูปเป็นนันมากมีเสียงเป็นนันมากมีกลิ่นเป็นนันมากมีรสเป็นนันมากมีเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นนันมากก็ตามแต่ถ้ามองถึงแง่ของการกาหนดหมายเป็นเหตุให้เกิดการยึดถือแด บุคคลก็จะมีการกำหนดหมายสิ่งนั้นออกไปในสีแนวด้วยกันคือแนวหนึ่งมองเห็นเป็นของที่สวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจซึ่งจะเป็นการกำหนดรวบหมดหรือกำหนดเอาบางส่วนของสิ่งเหล่านั้นก็ตามแต่นั้นก็คือการกำหนดเมื่อกำหนดแล้วกิเลสประเภทที่เรียกว่าพิชาคือความเพ่งเล็งโลภอยากได้ราคะความกาหนัดโลภความโลภ หรือความปรารถนาความพอใจในสิ่งเหล่านั้นก็จะบังเกิดขึ้นเพราะใจไปกำหนดว่าสวยงามแต่ถ้ามองดูจิตใจของตนก็จะพบว่ามีเป็นจำนวนไม่น้อยที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีอิทธิพลครอบงำจิตใจอะไรเราเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่กำหนดว่าสวยงามเมื่อไม่กำหนดว่าสวยงามใจมันก็มัธยัดอยู่ท่ามกลางไม่มีทั้งความยินดี และไม่มีทั้งความยินร้ายแสดงให้เห็นว่าความเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่สวยไม่งามนั้นไม่ได้มีมีเชื้ออยู่เป็นอันมากภายในจิตใจของคนไม่ใช่ว่าไม่มีเชื้ออะไรอยู่เลยแต่พระพุทธเจ้าต้องการเสริมให้บุคคลเพิ่มเชื้อของความรู้เห็นถึงความจริงในส่วนนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะอะไร เราะมีอารมณ์อีกเป็นอันมากที่บุคคลมองเห็นเป็นความสวยงามก็อให้เกิดความกำนัดรักใ่ายินดีในสิ่งเหล่านั้นและมีการไ่วยคว้าสแสวงหาเกิดขึ้นอีกแนวหนึ่งก็คือการมองเห็นว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนทั้งๆ ท, ที่สิ่งเหล่านั้นก็โดยสภาวะไม่เที่ยงแทนแน่นอนอะไรก้อนี้พึงดูตัวอย่าง ดอกไม้ที่กล่าวมาแล้วหรือแม้แต่ว่าใครจะให้ไอศกรีมหรือให้อาหารอะไรให้ไอศกรีมใหถ้ถือเดินไปกลางแดดสองกิโลก็ไม่มีคนรับเหมือนกันเพราะอะไรเพราะความรู้ในความจริงของไอศกรีมนั้นว่าถือเดินไปเช่นนั้นก็ละลายเป็นน้าหมดก็ไม่มีใครต้องการสิ่งนั้นแสดงให้เห็นถึงพื้นอัตยาสัยของบุคคลว่าแท้ที่จริงแล้ว อันนี้จตาคือความเป็นของไม่เที่ยงแห่งสังขารธรรมทั้งหลายนั้นบุคคลก็รู้เรื่องอยู่เป็นนั้นมากทีเดียวและสามารถอัิถาที่บายชี้แจงให้บุคคลอื่นเกิดความรู้ความเข้าใจเห็นต้นไม้ใบไม้ผลัดไปใบร่วงหลน่นลงมาอันนี้จะสัญญาก็เกิดขึ้นก็มองเห็นว่าเป็นความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาของต้นไม้แกเป็นของแกอย่างนี้เองดอกไม้ปลูกไว้ ออกดอกสวยๆงามๆเสร็จแล้วเขียวชอาร่วงโรยก็เข้าใจถึงความจริงว่าเป็นธรรมดาของดอกไม้ชนิดนี้แกบานเดี๋ยวไม่ได้นานาแสดงว่าความรู้เห็นตามความจริงในสังขารธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานั้นบุคคลก็มีอยู่ไม่น้อยทีเดียวอีกในด้านหนึ่งคือกําหนดหมายเห็นเป็นความสุข ทัทง้งๆที่ว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นความทุกข์ในกรณีนี้เป็นเรื่องของความจริงสองชั้นคือชั้นหนึ่งนั้นพระพุทธศาสนาก็ยอมรับระดับโลกีสุขได้ แ, แก่ความทุกข์ที่ลดลงพอให้เกิดความสบายเราก็กำหนดหมายว่าเป็นความสุขแต่ในชั้นนี้เองมีเป็นอันมากที่บุคคลมองเห็น ว่าสิ่งเหล่านั้นแ ท, ท้จริงแล้วมันก็มีการปรุงแต่งมีการตกแต่งเอาอะไรเป็นอะไรก็พอจะเข้าใจอาจจะมองไปที่โลงซึ่งใส่ศพ ส, ส, สวยๆงามๆประดับประดาวิจิตพิสดารแต่ว่าใจคนก็มองทะลุออกไปทะลุเข้าไปถึงในโลงได้ว่าภายในโลงนั้นก็เป็นซากศพสิ่งทั้งหมดจึงเป็นเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นเอง แต่ก็มองได้เพียงขณะนั้นใจไม่ได้เดินต่อไปในแนววิปัสสนาะท่นนั้นเองแต่้ า, ากาเดินต่อไปได้ความรู้ความเห็นในจุดนั้นก็อยู่ในขอบข่ายของวิปัสสนาปัญญาที่บางเกิดขึ้นขรอนี้ถ้าเรามองในจุดอื่นเช่นท่านแสดงไว้ในเรื่องมาลัยเทวชนว่าก่อนที่ เขาจะส่งคนไปเกิดในที่ใดก็ตามและจะมีการสอบถามว่าคนเหล่านั้นเคยเห็นเทวทูตทั้งห้าประการหรือไม่ซึ่งเทวทูตที่ท่านพูดถึงในมาลัยเทวเทศนั้นก็ไม่ตรงกับเทวทูตทั้งหมดท่านบอกว่ามีเทวทูตอยู่ห้าประการคือหนึ่งสตรีมีคันสองเด็กสามคนป่วย คนติดคุกห้าคนตายฉะนังนแท้จริงภาพเหล่านี้ก็เป็นภาพที่เคยเห็นก็ไม่มีใครที่ไม่เคยเห็นแต่ปัญหาสาคัญอยู่ที่ความคิดเมื่อเห็นสิ่งดหลนั้นที่จะก่อให้เกิดเป็นผลดีหรือผลเสียแกบคุคคลนั้นแต่ว่าคิดแล้วเฉยๆหรือคิดแล้วรังเกียจแสดงว่าธรรมะยังไม่เข้าถึงจิตใจ แต่ถ้าเห็นสตรีมีคันมองเห็นชาติทีทุกข์คือความเกิดแด้มองเห็นคุณของมารดานึกถึงตัวเองสมัยอยู่ในคันของมารดาว่ามารดาก็คงจะประสบความเดือดร้อนทุกข์ทรมานเราเองก็ลําบากหรือมองเห็นความทุกข์ในแนวนั้นมองเห็นชีวิตในวัยเด็กชีวิตที่ถูกความเจ็บป่วยข้าเสียดแทงหรือคนที่ถูกจองจําด้วยวิธีการต่างๆนั้นก็มองเห็นว่าเกิดมาจากกรรมของเขา ความตายนั้นมองเห็นในแง่ของทุกขสั์นี่ถือว่าเป็นความรู้ความเห็นที่ถูกต้องและเป็นบุญเป็นกุศลที่จะก่อให้เกิดผลแก่บุคคล น, นั้นคือการไปบังเกิดในสุคติด้วยนี่คืออะไรคือการมองการมองสิ่งรอบรอบตัวนั้นเองแต่เป็นการมองด้วยปัญญาเท่านั้นแม้แต่ในเรื่อง ของสิ่งที่ประกอบด้วยความทุกข์ก็เหมือนกันคือคนก็เห็นอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยแม้ยามความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ตัวเองก็มองเห็นความทุกข์เล่านั้นแต่พอความทุกข์เบาบางลงก็เกิดสนุกสนานจริงดีดีใจไม่ได้มองเห็นถึงความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วทุกข์มันลดเท่านั้นพอทุกข์แรงๆเราก็เห็นโดยเฉพาะในกรณีของการแผดเผาก่อให้เกิดความ ร, าร้าเรอนก็มองเห็นได้ชัดเจน และในกรณีที่รักษาสภาพเดิมไว้ไม่ได้ก็เข้าใจได้เป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวแม้ในเรื่องของอนัตตาส่วนหนึ่งบุคคลก็เห็นความเป็นอนาตาัตตาคือความเป็นของไม่ใช่ตัวใช่ตนของสิ่งทั้งหๆเ้าก็จริงแล้วเช่นบุคคลมีลูกมีหลานพยายามแสดงความรักความเมตตาความมุ่งดีความปรารถนาดีแก่ท่านแก่เขา แล้วก็จริงแล้วเราไม่เป็นไปตามที่ตัวต้องการปรารถนาะถ้าว่าเกิดมณสิการ์ที่ประกอบด้วยธรรมก็จะมองไปว่าเราเลี้ยงดูเขาได้เฉพาะร่างกายให้ความเจริญเติบโตแก่ร่างกายเขาได้แต่เราก็บังคับจิตใจเลี้ยงดูจิตใจเขาไม่ได้เมื่อจิตใจเขาไม่ยอมรับเขาเป็นคนประเภทที่ตุ่มทะลุเ็ไม่รู้จะทำอย่างไรสรัตว์ต่งหลายก็มีการเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมไป หน้าที่ของเราเราก็ได้ทำแล้วไม่มีส่วนอะไรที่จะพึงทำนี้มันก็ปร่งใจลงได้ในสังขารทั้งหลายทาให้จิตใจมีความโปร่งเปามีความสบายขึ้นซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในส่วนหนึ่งของความจริงแห่งโลกและชีวิตนั้นบุคคลมีพื้นความรู้ความเข้าใจอยู่แล้วทั้งหมดแต่ที่เป็นปัญหาอยู่ตรงไหน คืออยู่ตรงที่ว่าไม่สามารถถ่ายถอนกิเลสคือความยึดติดออกไปได้จริงๆอาจจะชี้แจงแสดงถึงความจริงในสวดนั้นๆแก่บุคคลทั้งหลายเหล่าอื่นได้แต่พอออาก็จริงมาเหตุนั้นเกิดขึ้นแก่ตนเราไม่สามารถที่จะผ่อนคลายความทุกข์ความร้อนใจเหล่านั้นลงไปได้ดังนั้นท่านจึงสอนให้บุคคลทําจิตใจให้ส ง, งบเสียก่อน เหลักของสมถะกรรมฐ า, านเมื่อความสงบบางเกิดขึ้นบุคคลจะมองเห็นความจริงอีกประการหนึ่งว่าเรื่องอะไรก็ตามที่มีความลึกซึ้งละเอียดนั้นจะต้องอาศัยความสงบเข้าช่วยที่ทางพระพุทธศาสนาใช้คำว่าสุญญาขานคือที่ว่างจากเสียงรบกวนจากคนจากสัตว์รบกวน เพื่ออะไรเพื่อให้จิตรวมได้จนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและต่อจากนั้นปัญญาก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างท่องแท้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งกรณีท่านอุปมาเห็นว่ามันเหมือนกับบุคคลได้เคยโยนอะไรลงไปในบ่อน้ําแม้แต่ในสมัยเป็นเด็กๆ ต่อมาวันหนึ่งเขาไปนั่งอยู่ริมปากป่อมองลงไปที่บ่อน้ำพอดีน้ำในขณะนั้นใสสะอาดเห็นถึงก้นบ่ออติตารมคืออารมณ์ในอดีตก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจด้วยอำนาจสัญญาคือความจำก็สามารถรู้สิ่งเหล่านั้นว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรตนโยนลงไปเมื่ อ, อไหร่เป็นต้นแต่ถ้าหากว่าตนจะโยนลงไปก็ต่าง แต่พอดีน้ําแก่คุณไม่สามารถมองเห็นได้อารมณ์ในอดีต ท, ที่บังเกิดขึ้นโดยสัญญาในอดีตก็ไม่อาจจะปรุงต่อไปได้เพราะขาดตัวกระตุ้นแกก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเรื่องของจิตใจที่ก่อให้เกิดความสงบ ก, ก็มีลักษณะเช่นนั้นนั่งทําให้จิตใจผ่องแพ้วขึ้นไม่ขุนมัวเศร้ามองจนสับสนว่าพุ่นไป ปัญญาความรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งเหล่านั้นในระดับใดระดับหนึ่งก็จะบังเกิดขึ้นถ้าหากว่าความผ่องใสปรากฏขึ้นภายในจิตใจและทุกขั้นตอนที่ทรงแสดงเอาไว้นั้นแต่งแนวเดียวกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนาปานสติมาเรื่อยมาจนถึงป่าช้าทั้งเก้าจะทรงสอนเหมือนกันทุกถ้อยคําเพียงแต่ว่า เปลี่ยนประธานในเรื่องนั้นเท่านั้นคือให้บุคคลมองเห็นกายทั้งที่เป็นกายภายในทั้งที่เป็นกายภายนอกน้อมนึกกลับไปกลับมามองอะไรมองให้เห็นเป็นความเป็นอย่างเดียวกันแต่ชั้นแรกนั้นให้มองเห็นเฉพาะกายภายในกับกายภายนอกไปก่อนทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะาการกาหนดหมายของบุคคลกาหนดอยู่สองฝ่ายเท่านั้น คือกำหนดเรากับคนอื่นวันเวลาจะถอนกิเลสก็ถอนจากเรากับคนอื่นเหมือนกันมองเห็นกายภายในและกายภายนอกโดยความเป็นอย่างเดียวกันชั้นหยาบที่สุดกายภายในก็คือกายเรากายภายนอกก็คือกายคนอื่นแต่พอถึงชั้นละเอียดมีกําลังสมาธิมากพอไม่ต้งไปมองกายอย่างนั้นมองเฉพาะกายของเรากับกายของเรานี่เอง กายก็คือกุอายะเปรว่าแหล่งที่ประชุมแห่งของสกปรกหน้าเกลียดปฏิกูลด้วยประการต่างๆอย่างที่ทรงจำแนกแสดงไว้ในปฏิกู ล, ลปรปภะถึง3าหมวดเราอาจจะดูผมเรียนรู้เรื่องผมจนเกิดความเข้าใจในเส้นผมแล้วในที่สุดก็เทียบกายส่วนอื่นคือขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นแล้วก็ตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกัน นี้ก็คือกายภายในกับกายภายนอกในระดับที่ละเอียดลงมาไม่ต้องไปมองที่คนอื่นมองเฉพาะที่เราแล้วก็เรียนรู้ที่เรานี่เองเพราะในแง่ของความหมายแล้วกายนั้นที่ประชุมอะไรก็ตามจุดเล็กจุดน้อยก็ถือว่ากายที่ประชุมของของหน้าเกลียดสกปรกด้วยประการต่างๆซึ่งท่านตัดมาจากคําว่ากุกคือหน้าเกลียดหน้ารังเกียด แล้วก็อายะคือแหล่งหรือที่ประชุมของสิ่งที่น่าเกลียดทั้งหลายหรือน่ารังเกียจทั้งหลายก็มองไปมองกลับไปกลับมาก็จะเห็นถึงความจริงในส่วนเหล่านั้นแต่เห็นประสวล น, นั้นได้ก็มองดูความเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรมองการดํารงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ถี่ชิบแล้วก็มองความแตกตั้บไปมองให้เห็นสามจุดอย่างนั้นถึงการใช้พิจารณานั้นใช้อะไรก็ได้ ตามปกติแล้วดูลมก็ดูได้ชัดเพราลมนั้นมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่ดับไปเร็วร่างกายที่จริงก็เป็นอย่างนั้นในการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ว่าถูกกาละแกะขีดขวางเอาไว้พระพุทธเจ้าได้เคยรับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายไว้ในจิตสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการกําหนดว่าจิตเที่ยงนั้น ไม่ดีเลยเพราะว่าจิตกกเกิดดับเกิดดับเร็วรเหลือเกินถ้าจะห า, หากว่าจะกาหนดว่าจิตเที่ยงกาหนดว่ากายเที่ยงยังดีกว่าเพราะยังไงยังไงกายแกแก็มีอายุยืนนานกว่าคือความเปลี่ยนแปลงของกายปรากฏช้ากว่าความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจดังนั้นในส่วนกายบางส่วนที่มองเห็นได้ง่ายเช่นลมหายใจเข้าออก ก็มองดูความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความเปลี่ยนแปลงมองเห็นชัดว่าเป็นกระบวนการที่สืบเนื่องกันไปแต่ท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงคือความดับก็มองเฉพาะจุดของความดับแต่การมองนั้นจะต้องมองให้เกิดเห็นจริงในแต่ละจุดไม่ใช่มองเรื่อยไปทุกจุดแล้วไม่เห็นจริงสักจุดหนึ่ง ข้อสำคัญให้เห็นในจุดใดจุดหนึ่งให้ได้เสีก่อนเท่านั้นเองเพราะสิ่งทั้งหลายจะมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันคือเป็นสังขารเหมือนกันเมื่อสังขารอย่างหนึ่งมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแรปรปรวนไปเป็นธรรมราสังขารเหล่าอื่นก็จะตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นคล้ายๆกับเรามองคนใดคนหนึ่งว่าคนนี้จะต้องตายใครก็ตาย อยู่ในส่วนใดของโลกก็ตายเมื่อเป็นคนก็ต้องตาย ม, มองกลับไปเห็นว่าสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นมันก็ตายเหมือนกันชัดเจนเข้าใจในจุดนั้นแล้วก็เชื่อมโยงไปทั่วทุกสรรพสัตว์สรรพสิ่งในโลกก็เกิดขึ้นมาแล้วต้องตายต้องเตกตับต้องหักคนทําลายไปเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเอาแค่จริงแล้วใจเรานั้นไปกาหนดใจของคนเรานั้นไปกาหนด กำหนดด้วยความใคร่ในอารมณ์ทั้งหลายที่กำหนดด้วยตันหาว่าของเราของเราแต่ถ้ามองเห็นในแต่ละจุดได้อย่างชัดเจนแล้วการไขวยคว้าสแสวงหาจนเกินส่วนก็ไม่มีความจำเป็นอะไรเพราะนั้นคือการสร้างความเดือดร้อนหรือความทุกข์ให้บังเกิดขึ้นแก่ตนเองแทนที่จะเป็นอิสระแก่ตนก็สร้างความวุ่นวายเดือดร้อนให้แก่ตน ท่านั้นการมองอะไรก็ตามท่านให้มองม ใ, นในแต่ละจุดก่อนให้เห็นไปจากชัดในแต่ละจุดแล้วก็ดึงเชื่อมโยงจากจุดนั้นก็ไปหาจุดอื่นเรื่อยๆคนนี้อย่างในบทอภินิธะปัจจเวคณะที่ทรงสอนหลักการพิจารณาบ่อยๆไว้หข้อนั้นคือถ้าเห็นให้ชัดสักข้อหนึ่งก่อนแล้วก็จะมองชัดในข้ออื่นๆ เห็นในเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพลาดที่จริงความพลัดพลากเห็นได้ง่ายหรือความตายนั้นก็เห็นได้ง่ายเรามีการไปงานศพมีข่าวการตายกันอยู่บ่อยๆก็มองเฉพาะจุดนั้นซะก่อนหรือคนขี้โรคมีโรคภัยไข้เจ็บเปียกเบียนก็มองที่โรคก็เห็นซะก่อนแล้วเมื่อมองเห็นโรคชัดเจนความสงบเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นจะมองจุดอื่นได้ชัดเจนชิงขึ้น แล้วเมื่อมองชัดเจนได้อภิชาโทมนัตซึ่งเคยมีก็จะเบาบางลงไปและแม้แต่ความยึดถือว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราซึ่งก็ไม่เคยอื่นไปจากเรื่องนี้จะพบว่าถ้าสิ่งทั้งหลายจะยึดถือว่าของเราถ้าฐานะความเป็นต่างๆก็จะยึดถือว่าเป็นเรา ส่วนยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนนั้นเป็นเรื่องที่ออกจะละเอียดตรงไปอย่างน้อยที่สุดถ้าเข้าใจถึงความจริงในส่วนนี้ก็เพียงแต่อย่าให้เกิดเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาก็ให้เกิดการแตกแยกก็เกิดการทำลายก็จะได้ประโยชน์ในระดับหนึ่งนะการมองสังขารให้เข้าถึงความจริงโดยในยะนี้บ่อยครับ เป็นการเพิ่มความสงบความรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งนั้นให้สูงขึ้นในที่สุดจากความสงบและความรู้ที่ค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นภายในจิตใจท่านเด็กอย่างน้อยจะช่วยให้บุคคลปรงใจลงได้ในความเปลี่ยนแปลงแห่งสังขารธรรมทั้งหลายลดละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายลงไปได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับคนกษัตริย์กระ ส, สิ่งของก็ตามแต่ถ้าปริมาณของความสงบและความรู้สูงขึ้นกว่านั้นจิตใจของบุคคลก็จะไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งอะไรแม้ใจจะยอมรับถึงความไม่อยู่แห่งสังขารธรรมทั้งหลายเรานั้นต่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในฐานะเป็นอุปกรณ์แห่งการเรียนรู้แห่งการหาความเข้าใจถึงความจริง ซึ่งก็เหมือนกับกระดานซึ่งเราจะต้องมองดูเวลาครูก็ขีดก็เขียนอะไรก็ยอมรับว่ามีอยู่แต่ก็ไม่ได้ไปยึดถือว่าเป็นของเราอะไรเพราะนั้นเป็นเพียงอุปกรณ์ในการเรียนในการหาความเข้าใจเท่านั้นเมื่อออกจากโรงเรียนก็ไม่มีความผูกพันไม่มีความติดอยู่ในกระดานเรานันจิตใจของบุคคลที่เข้าถึงความสงบจนเกิดความรู้ในขั้นตอนต่างๆ ก็จะก่อให้เกิดการผ่อนคลายความยึดมั่นถือมั่นในสังขารธรรมทั้งหลายลงไปเพราะอะไรเพราะพระธรรมนั้นเป็นสันเหลกธรรมเมื่อบังเกิดขึ้นในจุดใดก็ตามจะทำหน้าที่ขจัดฝ่ายตรงกันข้ามในที่นั้นในขณะนั้นตามกำลังแห่งธรรมะที่บังเกิดขึ้นและเมื่อมีการขัดเกลาร่อยๆข้าวความส ง, งบ ความรู้ก็จะเพิ่มขึ้นบุคคลสามารถจะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอันมีลักษณะสับสนวุ่นวายโดยการยกจิตตนเองให้อยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้นความสับสนวุ่นวายก็จะไม่บังเกิดขึ้นซึ่งลักษณะเหล่านี้ก็จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นมีคนทะเลาะ ก, กันมีศึกสงครามมีการยกพวกเข้าปราดประหารกัน แต่ใจบุคคลไม่ไปกำหนดหมายว่าของเราหรือว่าเป็นเราหรือเป็นตัวของตนเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวเป็นตนของเราในในกรณีนั้นนั้นอภิชาก็ดีโทมนัต ก, ก็ดีไม่ได้เกิดขึ้นไปรเรื่องเหล่านั้นและอารมณ์เช่นนี้ก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆเช่นเดียวกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ้าบุคคลอาศัยหลักของสมถกรรมาฐานเสริมสร้างความสงบอาศัยหลักวิปัสสนาเสริมสร้างความรู้แล้ว ปริมาณของคุณธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจเหล่านั้นก็จะเพิ่มสูงขึ้นภายในจิตประสบก่อให้เกิดเป็นความสงบความรู้ยิ่งเห็นจริงตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป